สวัสดีค่ะท่านฟั ง, ฟงที่ครบคะ่ะก้าวมาสู่ช่วงเวลาของรายการสรมสีนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็พบกันเช่นเคยนะคะพร้อมๆกับการที่จะมีเรื่องทางโลกเอามาให้พระคุณเจ้านั้นได้ตอบคำถามโดยนำเอาผู้ทวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ น, น ะ, ะมาขยายความที่สถานีวิทยุเอฟเอรครอบครัวข่าวแห่งนี้เราก็จะมาพบกันเป็นประจาวันละครึ่งชั่วโมง โดยประมาณค่ะดังนั้นต้องขานอย่างนี้จะเป็นประจำเพราะว่าก็มีประสบการณ์จากตนเองในฐานะเป็นผู้ฟังเหมือนกันนะคะบางทีเราไม่ได้ฟังพร้อมกับคนอื่นเราเพิ่ง ม, มาฟังเนี่ยทำไมไม่พูดสัทีจะฟังได้อีกเมื่อไรอย่างไรก็เลยต้องย้ําเตือนกันอยู่เสมอท่านผู้ฟังคะวันนี้จะเป็นเรื่องดาราค่ะดิฉันเองไปอ่านแล้วก็ประทับใจคือเป็นดาราไฟธรรมเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอามาพูดครบท่วนทุกคนเนี่ย ก็คงจะใช้เวลากันเป็นวันๆเลยนะคะเพราะว่าดาราที่เข้าหาทางธรรมนี่ก็มีเยอะเช่นเดียว ก, กันกับคนที่อยู่ในอาชีพอื่นมันก็น่ายินดีใช่ไหมคะที่คนเราหันหน้าเข้าหาธรรมซึ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ปล่อยดูแลไม่ให้สังคมนั้นเดือดร้อนด้วยนอกเหนือจากการที่จะพาตัวเองไปไหนต่อไหนตามปรารถนาในทางธรรม ตัวอย่างของดาราที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยคุณประพัฒสราชุตานุพงศ์หรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเตชะยพบูลนะนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ใครที่ติดตามชีวิตของเธอมาตลอดจะเห็นว่าเหมือนกับมีชีวิตที่น่าอิจฉาเพราะว่าก็เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาแต่ว่าวันนึงก็มีชีวิตที่สวยสดงดงามที่ดิ่ฉันหยิบยกชีวิตเธอมาเนี่ยเพราะสนใจในข้อแตกต่างจาก เรื่องของคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่ก็เข้าวัดแล้วก็เข้าถึงธรรมเข้าข้อธรรมยังไงก็แล้วแต่เอามาใช้ในชีวิตอย่างเธอเนี่ยเธอพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทในชีวิตพูดถึงว่าเข้าใจว่าชีวิตตัวเองที่มาถึงวันนี้มีความสุขได้เพราะมีข้อธรรมคือเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณคนนะคะและก็บอกว่าชีวิตก็เท่านั้นถึงมีชีวิตที่ดีก็ไม่หลงไปในลาบยศสรรเสริญ แต่เข้าใจว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องตายจากไปนะคะแล้วเธอก็บอกว่าถ้าเอาร่างไปเผาก็ไม่เป็นประโยชน์จึงอุทิศร่างกายพร้อมกับโลงแก้วเลยนะคะให้กับวัดป่าที่จังหวัดกาลสิน์ชื่อวัดป่ามัดชิมวาดโอโ้คนที่จะคิดได้แบบนี้ที่คิดว่าคิดยากเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ที่จะฟังว่าบริจาคร่าง ก็คือบริจาคให้เป็นอาจารย์ใหญ่ไปให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาศึกษาแต่นี่ น, นี่เอาร่างไปวางให้คนภายนอกทั่วๆไปที่ไปวัดเนี่ยศึกษาได้น่าสนใจมากเดี๋ยวก็จะไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภัูบุญพี่ปุณโญ น, นะคะว่าตรงเนี้ยท่านเห็นยังไงกับอีกรายหนึ่งเมื่อเ อ, อดิฉันเพิ่งคิดถึงนักแสดงท่านนี้อยู่ไม่นานว่าเอ๊หายไปไหนเพราะาเป็นคนที่มีความสามารถฝีมือจัดจ้านมาก ในแวดวงการแสดงคุณชไมาพรจตุรพุทธได้ยินว่าตอนนี้จะกลับมาเล่นละครอีกแล้วแต่ว่าช่วงที่หายไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าเพราะไปร่วมทําธุรกิจแล้วก็มีปัญหากับคนที่ร่วมทําธุรกิจหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่เธอก็บอกว่าเพราะเธอไม่ใช่นักธุรกิจแต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะคะแล้วก็พูดว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เลยได้ไปรู้จักกับวัดที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรม ที่นั่นจนสูงสุดเนี่ยก็คือการตัดสินใจโกรศีษะบวชีอยู่ประมาณ20วันแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาปฏิบัติธรรมเองที่บ้านแล้วก็ได้เห็นคุณของการที่ไปปฏิบัติธรรมว่าเวลาโกรธคนอื่นเนี่ยจิตมันตกมันไม่ดีการไปปฏิบัติธรรมก็ทำให้มีสตินะคะระ ง, งับทรรระ ง, งับทันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยได้แนวทางจากธรรมะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่รักไม่โลภ ไ, ไม่โกรธไม่หลง ดำเนินชีวิตยอยู่แบบไม่ประมาทค่ะอันนี้เดี๋ยวได้เวลาแล้วละ่ะเดี๋ยวไปพบในช่วงถามโลกตอบธรรมฟังเป็นข้อธรรมจากพระอาจารย์ไพบุลกันเลยค่ะ